ในสูตรที่สองสูตรที่สองนี่ก็ขยายมิจฉาทิฐิพิสดารขึ้นว่าสมัยนั้นแลสมณะพราหมณ์ปริภาชกด้วยกันผู้มีลัทธิต่างกันมีมิจฉาทิฐิต่างกันมีความพอใจต่างกันชอบใจต่างกันอาศัยทิฏฐินิสัยที่ต่างกันอาศัยอยู่ในพระนครสาวัตถีสมัยนั้นทั้งๆที่เป็นสมัยพุทธกาลนะเรามิจฉาทิฐิก็ไม่ได้น้อยลงอะไรเลยมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นบอกว่าอัตตาและโลกเที่ยง อันนี้แหละจริงอย่างอื่นไม่ใช่ปฏิเสธหมดพวกบอกว่าอัตตาและโลกไม่เที่ยงข้อหนะถถึ่งนะสัจจะทิฐิข้อสองอุเฉททิฐิข้อสบอก อ, อัตตาและโลกเที่ยงก็มีไม่เที่ยงก็มีอย่ น, นี้เป็นเอกจัสมัต ถ, ถ, ถิทิบังพวกบอกอัตตาและโลกเที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่พวกนี้อมาราวิเกปะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอัตตาและโลกตัวเองสร้างขึ้นสร้างเองพวกบอกว่าอัตตาและโลกผู้อื่นสร้าง อัตตาและโลกตนเองสร้างก็มีคนอื่นสร้างให้ก็มีตกลงเรานี่ตัวเราสร้างเองหรือว่าคนอื่นสร้างให้เราเราสร้างของเราเองหรือหรือคนอื่นสร้างให้เรามารวดตอบยังไงก็ผิดหมดเห็นไหมอัตตาและโลกเกิดลอยๆไม่มันเกิดลอยๆมีใครสร้างให้ใครหรอกไอ้คมบอกว่าอัตตาและโลกเนี่ยยื้ยั่งยืนนะแต่ว่ามันมีทั้งสุขและทุกข์ ไอ้พวกหนึ่งบอกไม่ยั่งยืนแต่มันมีสุขมีทุกข์เอกพวกบอกมีทั้งสุขทั้งทุกข์จะว่ายั่งยืนก็มีไม่ยั่งยืนก็มีนะมันก็วิจารณ์กันไปแหลกลานหมดนะเนาะบอกว่าอัตตาและโลกมีทั้งสุขทั้งทุกข์ยั่งยืนก็หามีได้ไม่ยั่งยืนก็หาไม่ได้อนี้มันปลายชัดๆนะนะเอกพวกบอกว่าโลกมีทั้งสุขและทุกข์ตนเองสร้างโลกทั้งสุขทั้งทุกข์คนอื่นสร้างอีกคนหนึ่งบอกโลกมีทั้งสุขและทุกข์ตัวเองสร้างก็มีคนอื่นสร้างก็มี มันใครที่พูดอย่างอ like ื no, mouth, like strong, mouth, okay. ่นจากตนเนี่ยนะสิบหกลุ่มเนี่ยเออขอไปสิบหกกลุ่มเนี่ยนะใครพูดไม่เหมือนชั้นมิจฉาทิฐิหมดเลยนะก็ไม่ใช่แปลว่าชันสัมมาทิฏฐินะก็มันมิจฉาทิฏฐิเพราะมาตรฐานคือความเห็นของชั้นใช่ไหมเมื่อความเห็นของชั้นเป็นมาตรฐานใครที่เห็นต่างจากฉั้นมันมิจฉาทิฐิหมดมันบาปหมดนะนี่มันก็ทะเลาะกันวิวาทกันทิมแทงกันและการใช้หอกคือปากทิมแทงกันและการว่าทำเป็นเช่นนี้ ทำไม่เป็นเช่นนี้ทำไม่เป็นเช่นนี้ทำมันเป็นเช่นนี้ไอ้ที่ถูกมันต้องเป็นอย่างนี้นะก็ลเลยมีแต่คนเก่งหมดเลยไม่มีใครงโง่สักคนเลยนะในเนี้ยคนถือหางเต้มไปหมดเลยเวลาชาวพิสูจ์มากด้วยกันถือบาดและจีวรเข้าไปบินทบาทยังพระนครสาวัตถีครั้นเที่ยวบินทบาทในพระนครสาวัตถีกลับจากบินทบาทภายหลังพัดแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถามว่าทําไมพระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะ จึงก็ต้องคอยถามพระพุทธเจ้าถ้าดูอัตถกถาตรงนี้จะเข้าใจนิดหนึ่งคือภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะเข้าไปเอ่อไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีหน้า621ยเอ็ฟังดังนั้นก็คิดว่านี้เป็นข้อมูลที่มีอยู่ถ้าการะไรเรากราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พี่ชไหนเนาเราเพิ่งได้ฟังพระธรรมเทศนาอันละเอียดสุขุมเนีย่ยนะก็คือจะได้อาศัยเหตุจะได้พระพุทธเจ้าจะได้แสดงธรรมให้ฟังนะก็เลยเข้าไปเฝ้ากราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดซึ่งก็เล่าให้ฟังตามเป็นจริงทั้งหมดในหน้า628ย่อหน้าพระผู้มีพระภาคก็ตรัสตอบว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอัญญาเดียรถีปริภาชคเป็นคนบอดไม่มีจกักษุไม่รู้จักประโยชน์ไม่รู้จักความชีพหายไม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้จกักรทำ ไม่รู้จักสภาพมิใช่ธรรมไม่รู้จักประโยชน์ไม่รู้จักความชีพหายมิใช่ประโยชน์ไม่รู้ธรรมไม่รู้จักสภาพมิใช่ธรรมก็บาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันทิมแทงกันและกันอยู่ด้วยหอกคือปากว่าธรรมะมันเป็นเช่นนี้ธรรมะไม่เป็นเช่นนี้ธรรมะไม่เป็นเช่นนี้ธรรมะต้องเป็นเช่นนี้ไอ้ที่ถูกมันต้องเป็นอย่างนี้ไอ้นั่นมันผิดไอ้นั่นผิดอันนี้ถูกไงนะไม่มีใครแพ้หรอกเชื่อเหรอสงครามน้ําลายเนี่ยมันไม่ได้แบบเนี่ย แต่พวกเดรถีนี่เขามีความสุขกับการทะเลาะกันจริงๆนะมีการโต้วาทะากันสมัยก่อนนี่เขามีการถกกันว่าใครเถียงกันนะเขาปักกิ่งว่าไว้อันหนึง่งนะถ้าใครเขาแล้วก็เชิญกันมาถกกันภาษสารีบุตรนี่ต้องไปไปไ ป, ไปถกกันประจำเลยกับเช่นนางกุลทนเกสีเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์เนี่ยพอพิจารณาเนื้อความเหล่านั้นทั้งหมดก็เปล่งอุทานว่าสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งติดข้องอยู่ในมิจฉาทิฐิ อาศัยอยู่แต่ในมิจฉาทิฐิยังไม่ถึงพระนิพพานเป็นที่อย่างลงคือที่สุดจริงๆมันควรจะเป็นพระนิพพานใช่แต่ก็จมลงในระหว่างจมลงทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่ถึงที่เพราะอะไรเพราะมิจฉาทิฐิทําให้จมลงเช่นพวกที่ยังไม่บรรลุก็สำคัญว่าบรรลุเป็นต้นเนี่ยนะในหน้า631้อสาสบเอตเอตมัตถังวิธิตวา เพราะการเปรียบด้วยคนตาบอดไม่มีในพระสูตรนี้สูตรก่อนมีอุปมาตาบอดใช่ไหมสูตรนี้ไม่มีสรุปในคาถาว่ายังไม่ถึงพระนิพพานเป็นที่อย่างลงก็จมลงในระหว่างมีอธิบายว่าทิฏฐิคติกะบุคคลคือบุคคลที่เอามิจฉาทิฏฐินําหน้าเนี่ยนะคล่องอยู่ในมิจฉาทิฏฐิอาศัยอยู่แต่ในมิจฉาทิฏฐิยังไม่ถึงคือไม่บรรลุ พ, พระนิพพานกล่าวคือเป็นที่อย่างลง คือสรุปถ้ามิจฉาทิฐิเกิดขึ้นนะถ้าเห็นผิดมิจฉาสังกับป่ามิจฉาวาจามิจฉากรรมมันตะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิก็ตามมาเมื่อมิจฉาต่างแปดประชุมกันก็คิดว่าสัมมิจฉาวิมุตติมิจฉาญาณะไม่ได้บรรลุก็สําคัญว่าบรรลุเป็นต้นเพราะนั่นพวกนี้ยังไม่ถึงพระนิพพานก็นึกว่าตัวเองถึงแล้วบรรลุแล้วเพราะฉะนั้นตัวเองไม่มีอริยมรรคเป็นอุบายเป็นเครื่องบรรลุพระนิพพานเราะมัวแต่ไปกับ มิจฉาทิฏฐิปฏิบัติในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับมรรคมีองแปดพันก็ไปเพราะเป็นฝั่งหรือเป็นที่พึ่งของคติกะทิฏฐิคติกะบุคคลทิฏฐิคติกะนี่แปลว่าผู้ที่เป็นไปตามอำนาจของมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะก็พากันจมหมกอยู่ในระหว่างท่ามกลางโอคะสจมอยู่ในกามโมคะพวคะทิโคะและอวิโชคะหรือในห้วงยามใหญ่คือสังสารวัฏ จมอยู่ในขันธาตุอายตนะนั่นแหละไม่มีออกได้เพราะอะไรเพราะอริยมรรคและพระนิพพานชื่อว่าเป็นธรรมะเครื่องอย่างลงเพราะเป็นเครื่องอย่างลงหรือเป็นที่ตั้งอาศัยเมื่อตัวเองเป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยนะไอ้มิจฉาทิฐิเรียกว่าอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกกะปริเทวทุกโทมนานัตอุปาญาตแล้วก็เกิดมิจฉาทิฐิใหม่ขึ้น แล้วก็วนๆอยู่ก็จมอยู่แต่ในอย่างนี้นี่นะด้วยอํานาจทิฏฐุปาทานเป็นต้นเขาไม่ได้ปฏิบัติอยู่ในสัมมาทิฐิไม่มีกรรมสกตาปัญญาเมื่อไม่มีกรรมสกตาปัญญาก็ไม่สาวมาหาเหตุเพราะว่าทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดถ้าจะดับก็ต้องดับที่เหตุเมื่อไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้ความเป็นไปก็เลยคิดว่าท่องไปเรื่อยๆ เ, เ, เดียวก็สุดเองเนี่ยนะก็เลยลอยล่องลอยไปในกระแสแห่ง วัตตะจมอยู่ในสังสารวัตจมอยู่ในขันธาตุอายตนะเพราะไม่รู้จักขันเหตุเกิดแห่งขันความดับขันและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับขันไม่รู้จักอริยมรรคไม่รู้จักพระนิพพานเป็นที่สลัดออกจากวัตตะเนี่ยก็เลยน่าเห็นใจเลย